ทันทีที่ตาร้อนอยากเป็นคนอื่นอยากได้ดีเท่าคนอื่นจิตคนเราจะกดตัวเองไปอยู่ในโหมดต่ำกว่าหรือด้อยกว่าทันทีในที่ทกรรมเก่าเพลิดผลเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โทษสถานเบาที่สุดสำหรับคนขี่อิจฉาริษยาคือด้อยศักดิ์ศรีข้อความจากจุลกรรมมวิพังขสูตร สังเกตดูหญิงหรือชายก็ตามตอนกําลังเพ่งเล็งคนอื่นด้วยแววด้วยาอยู่ใจเขาก็หมุนหมองดูคล้ําไม่มีสง่าราศีทันทีแล้วติดกดดันตัวเองไปอยู่ในหมดต่ํากว่าหรือด้อยกว่าทันทีที่ตาร้อนอยากเป็นคนอื่นอยากได้ดีเท่าคนอื่นกิเลสมนุษย์ทําให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีเห็นอยู่ชัดๆว่าเพราะเขาขยันเขาทุ่มเท เขาทำงานเขาต่อสู้อุปสรรคจึงประสบความสำเร็จสอบได้ที่หนึ่งหรือทำงานได้ตาแหน่งใหญ่โตเห็นเหตุเห็นผลชัดๆอย่างนี้ก็ยังไม่วาอิจฉาตาร้อนดูจิตขณะอิจฉาคือดูเข้ามาตรงๆให้เห็นสภาพจิตใจตนเองขณะอิจฉาริษยาถามตัวเองว่าเย็นหรือร้อนถามตัวเองว่าอึดอัดหรือสบาย ถามตัวเองว่ากระวนกระวายหรือสงบสุขอย่าไปเพ่งเรื่องดีเรื่องเลวแล้วก็อย่าไปพยายามห้ามใจไม่ให้อิจฉาเอาดือด้อเพราะจะทรมานใจเปล่าเมื่อหยุดไม่ได้ในความมีสติรู้เห็นเช่นนั้นการยอมรับตามจริงตรงไปตรงมาแม้ว่าความคิดริษยายังไม่หยุดตัวลงแต่ยังน้อยก็มีความชะงักงันชั่วขณะ ฉันงักที่ได้รู้ว่าผลของความคิดรุสยาคือร้อนอึดอัดกรวนกระวายตลอดจนเกิดแรงดันอยากทําอะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งคล้ายเป็นผู้ร้ายไม่ใช่พระเอกการที่จิตรู้สึกอยู่บ่อ ย, อยว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่น่าเอาในที่สุดจิตจะเริ่มฉลาดเองปล่อยวางความยึดสิ่งนั้นไปเองฉุดคิดว่าจะร้อนเปล่าไปทําไมอึดอัดเปล่าไปทําไม ชั่ววูบแห่งความระลึกได้เช่นนั้นคุณจะเห็นความอิจฉาริษยาดับไปยิ่งเห็นวูบแห่งความดับได้ชัดเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งโปร่งสบายขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของจิตเขาชอบความสบายในที่สุดเขาจะเลิกหาเรื่องอึดอัดใส่ตัวพูดง่ายๆคือหยุดหาหาใส่หัวเสียที